การยอมรับตามจริงเป็นอาการง่ายๆของจิตที่มักถูกลืมร่างกายนี้ของจริงจิตใจนี้ก็ของจริงความรู้สึกนึกคิดนี้ก็ของจริงความต่างไปเรื่อยๆก็ของจริงตัวตนไม่เหมือนเดิมก็ของจริงเราทุกคนอยู่กับความจริงแปลตรงที่ไม่มีใครมองความจริงและยิ่งยาก ที่จะให้ยอมรับความจริงจำเป็นต้องรอให้เกิดศาสนาแห่งความจริงเพื่อมาชี้ให้เห็นความจริงเมื่อพยายามมองความจริงเราจึงได้เรียนรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเรื่องน่าชอบใจกระตุ้นให้เกิดสุขความสุขก่อให้เกิดอาการอยากยึดไว้อยากหวงแหนไว้ สุดท้ายก็พบว่าหวงแค่ไหนก็ยึดไว้ไม่ได้จริงเรื่องไม่น่าชอบใจกระตุ้นให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดอาการอยากให้หายไปอยากหลีกหนีไปสุดท้ายก็พบว่าหลีกหนีแค่ไหนก็ไม่ใช่จะห่างหายได้เสมอทั้งสุขและทุกข์เป็นเหตุให้รู้สึกไม่ได้อย่างใจ และความรู้สึกไม่ได้อย่างใจก็คือเหตุสำคัญให้ไม่อยากยอมรับความจริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ดูความไม่เที่ยงของสุขทุกข์อันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในผู้ลองดูย่อมรู้ด้วยตนเองว่าเมื่อยอมรับว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงได้ก็คลายจากความอยากครอบครองและอยากทำลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ปล่อยเปิดใจให้ยอมรับความจริงตรงหน้าว่าจะไม่อยู่ให้เห็นตลอดไปไปด้วยปึกรู้สุกทุกเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดหายใจเข้าออกครั้งไหนแล้วรู้สึกสบายก็ยอมรับว่าเป็นสุขหายใจเข้าออกครั้งไหนแล้วรู้สึกอึดอัดก็ยอมรับว่าเป็นทุกปึกแล้วย่อมเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุก พลัดกินมาพลัดเกินไปจริงๆทั้งสุขทั้งทุกข์จึงไม่อาจครอบงำจิตให้เห็นผิดเพี้ยนจากความจริงนั่นแหละคือเป้าหมายประจำวันของผู้อยู่กับศาสนาแห่งความจริงลมหายใจในนาทีนี้คือยาสมานแผลจากวันวานคือยาแก้ปวดหัวกับวันหน้า เสพติดนาทีนี้เพื่อเยียวยาโรคเอาแต่อดีตกับป้องกันโรคเอาแต่อนาคตอยู่กับนาทีนี้ได้มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งหายเร็วมากขึ้นเท่านั้นหายใจเป็นคือหายใจอย่างสดชื่นหายใจอย่างผ่อนคลายสบายตัวหายใจยังรู้ได้เรื่อยๆว่ากำลังหายใจหายใจ อย่างที่จะก่อให้เกิดจินตภาพลมหายใจชัด